ยี่สิบสองน่าจะเป็นหมวดนะว่าด้วยเรื่องนรกเรียกว่านิระยะวัคคาวันนาข้อที่หนึ่งผู้พูดไม่จริงตกนรกย่อๆนะพูดไม่จริงตกนรกก็มีพระพุทธสภาษสิทธิ์รับรองว่า อภูตะวาธีนิระยังอุเปติโยวาปิกตวานะโกรมีติจหะอุโพปิเตเปจจาสมาพวันตินิฮีนก ร, รัมมามนุชาปรตฐะอ่านยากหน่อยแปลว่าผู้พูดไม่จริงย่อมตกนรกหรือว่าผู้ใดทาแล้ว กล่าวว่ามิได้ทำผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวสามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าคือเที่ยงแท้ต่อการตกนรกอธิบายว่าคนพูดไม่จริงก็คือคนพูดเท็จนั่นเองหรือบุสาวาทเนี่ยคนพูดเท็จมีหลายพวกและก็มีจุดประสงค์ต่างกันบางคนพูดเท็จเพื่อตลกขานองก็มี เพื่อได้หัวเราะเฮฮ า, ากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงจึงมักไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่า นอนมากฝันมากพูดมากก็โกโหกมากบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัลได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นวิชาชีพบาปมากด้วยเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่บริสุทธิ์มากพวกนี้เข้าลักษณะที่ว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวบางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอบพรยกยอป่อปั้น เขาไม่สวยก็ว่าเขาสวยเขาไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเฉยสิ่งนั้นจนบางทีเขายิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทันแต่คนพวกนี้หน้าหนาพอ้าไม่ฉีกหน้าแรงจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้า รู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดฉายสดใสไปเลยทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั้นขึ้นมาเช่นคนนั้นคนนี้เขาว่าคุณหรือว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรือดิฉันเดือดดานจริงๆเถีย ง, งกันเสียแทบแย่จนเกิดจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายกันเสียแทบแย่ กว่าเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทั้งนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดพูดด้วยใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องกาละเทศะด้วยบางคนพูดเท็จเพื่อหักการประโยชน์ผู้อื่นหรืออิจฉาริษยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทาเองตัวไม่พ้นบาป ดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปบางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปค้นคว้าวิชาที่บ้านเพื่อนหรือไปที่นั่นที่นี่บ้างแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้ว หากพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จเช่นทำของในบ้านแตกพ่อแม่ถามว่าใครทำแตกไม่มีใครรับมีแต่คำว่าหนูเปล่าหนูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการหนีภยัย สัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้ยั่งยืนอยู่ได้ในโลกนอกจากนั้นต้องสูญพันธุ์ไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมควรแล้วคนพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องประกอบนางสุนทรี เวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาบสการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกส่วนพวกเดลทีนิคนทั้งหลายเสื่อมลาบสการะจึงอิจฉาพระศาสดาหาทางกำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทาลายเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า พวกนั้นมีสาวิกาคือผู้หญิงสิทธิ์ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีแปลว่างามพวกเขาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนเสื่อมความนิยมนับถือเธอไม่รู้ว่าแผนของเดรทีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องแสวงหาลาภผลให้พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้น เธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าแต่ความจริงนางนอนในวัดของพวกเดรัจฉีนิครณทำอยู่อย่างนี้ช่วระยะหนึ่งพวกเดรัจีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสาบทีแล้วว่านางสุนทรีปริภาชิกาไปนอนกับพระสวรคโดมทุกคืน พวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสามวันล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพระเศรน์ที่โกศลสนว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่านางสุนทรีอยู่ในวัดเชตวันหลายวันแล้วพวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่ พระราชาทรงอนุญาตให้ไปค้นวัดเชตวันพวกเขาพาพวกอุปถากไปยังเชตวนารามค้นหานางสุนทรีพบที่กองหยากเยื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันทักกุฎีของพระพุทธเจ้าพวกดิลถียกศพนางสุนทรีขึ้นเตียงนำไปสู่พระนครทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าสาวกของพระสมณะโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่กองหยาคเยื่อ ด้วยคิดว่าจากปกปิดกรรมลามกที่าศาสดาของตนทำแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิดพวกเดรธีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสากยบุตรข้านางสุนทรีล้วหมกไว้ณกองอยากเยื่อในวัดเชตวันเพื่อปกปิดกรรมอันลามกของพระสมณะโคดม แล้วไปยังทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางสุนทรีไปยังป่าชา้าผีดิบแล้วรักษาไวา้คือยังไม่ได้เผาชาวนครสาวัตถียกเว้นพระอริยสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวด่าว่าภิกสุท์ทั้งหลายพวกพิสุทธ์กราบทูลเรื่องแด่พระตถาคตพระพุทธองค์ให้ภิกสุทั้งหลายกล่าวตอไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรก ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าวงเล็บคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าเประเซนที่โกศลสนยังไม่ทรงปร่งพระไทยเชื่อเรื่องที่พวกเดลทีเที่ยวเปล่าร้องว่าสิทธิของพระธเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสุนทรีจึงทรงส่งราชบุรุษออกเสื ได้ความจริงว่านางสุนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกฤาถีแล้วมาซื้อสุราดื่มกันเมาไมายและคุยกันถึงเรื่องนี้พระเจ้าเประเซนที่โกศลรับสั่งให้พวกฤาษีเข้าเฝ้าแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปทั่วพระนครและประกาศว่านางสุนทรีนั้นพวกข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พอข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณะโคดม ความจริงโทษของสาวกพระสมณะโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพระเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเลงได้รับพระราชอาญาสมควรแก่กรรมของตน เ, เรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูพระพุทธเจ้าศา ส, สดาพระศาสดาที่เราดูละครกันนะั้นนะจากมหาศาสดาโลกนะก็จะคนละคติกันนอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง กลายเป็นว่าเป็นนางจินจานาวิกาเนะ่ที่ถูกใส่ความทั้งสองเรื่องเลยเนี่ยเรื่องข้าหม ก, ก็เป็นคนคนเดียวกันแต่ในคติของเราก็จะเป็นเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนางสุนทรีนี่ก็เป็นความเชื่อแต่โดยใกลความก็คือใส่ความนั่นเองแหละส่วนเรื่องนั้นอา็จะแตกต่างกันไปบ้างเนี่ย นั่นคือการพูดไม่จริงอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจนนก็มีหลักฐานพยานนี่โอจาก็ยืนยันสัจจะหรือความจริงนี่ใครจะว่าอย่างไรนีน่ก็ยืนยืนยันเอาความจริงเป็นเกณฑ์ความจริงไม่วันใดวันหนึ่งก็ถ้าเป็นความจริงออกมาจนได้น ผู้มีผ้ากาสาวะพันคอพระพุทธภาศิทธิกาสาวะกันถาพระหาโวปาปะธรรมมาอสัญญาตาปาปา ป, า, ปาเปหิกรรมเมหินิระยังเตอุปัชเรแปลว่าชนเป็นอันมากผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะบ่งเล็บคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองอก็คือพระนี่แหละ แต่มีธรรมลามกไม่สํารวมคนบาปเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันลามกของตนอธิบายว่าผ้ากาสาวะหรือกาสายะเป็นผ้าสีเหลืองหมนคล้ายสีกรดคือเหลืองแกมดำจีวรพระที่ถูกต้องตามพระพุทธานุญาตเป็นสีอย่างนั้นนที่เราเรียกว่าสีเหลืองหมนน แต่ทางสายกุบายจานเลยเอาเอาสีแกนขนนเป็นเป็นสีหลักแสีเหลืองหมดพระนั้นเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งปฏิญาณตนเป็นพรหมจารีเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเพศตรงข้ามในทางรักใคร่สเสน่หาปฏิญาณตนเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมและคนทั้งหลายก็รับรู้อย่างนั้นจึงเสียสละอุปธรรมบำ ร, รุงพระนั้น ได้รับการบำรุงจากคนทุกชั้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงคนยากจนได้รับการบำรุงด้วยปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์พระบางส่วนในเมืองไทยมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มดีกว่าประชาชนบางส่วนเป็นอันมากสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการเสียสละของชาวบ้านผู้มั่งมีบ้างยากจนบ้างพระได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาจากชาวบ้าน ทุกหมู่เหล่าตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญได้รับการยกเว้นหลายอย่างมีสิทธิพิเศษหลายอย่างเพราะทางบ้านเมืองถือเป็นนักพรตเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมตั้งอยู่ในธรรมไม่มีใครเบียดเบียนบีบคั้นเมื่อฐานะของพระเป็นอยู่อย่างนี้พระจึงควรต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เหมาะหรือให้พอเหมาะพอควรกับภาวะของตนเช่นสารวมในศีลมีใจอยู่ในธรรม แต่ถ้าหากประพฤติลามกก็บาปมากบาปสองชั้นสามชั้นเป็นการหลอกลวงตนเองหลอกลวงประชาชนย่ำยีพระศาสนาดูหมิ่นผู้ศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักอะไรพระที่ปฏิบัติลามกจะงมีโอกาสตกนรกได้มากเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมว่าในเมืองนรกนั้นป่าวเหล็กเท่าต้นตาลยังไม่พอแขวนจีวรพระ ทานน้ำหนักไม่ไหวมีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าพระตกรกกันมากเลิเกินบางท่านวิญญาณไปพบเห็นคนเดินกันมาเป็นฝูงแต่ไกลพอเข้ามาใกล้เห็นถนัดว่ามีรูปร่างอย่างมนุษย์หน้าตาน้าเกลียดอย่างที่สุดสีสะโลนร่างกายสูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจำนวนเป็นพันพันหมืน่น เมื่อคนพวกนี้เดินเลยไปก็มีผู้คุมเดินตามหลังมาสองคนถือสมุดบัญชีเปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้คุมมาใกล้บิญญาณของท่านผู้นั้นได้ถามว่าพวกนั้นคือใครกันผู้คุมตอบว่านี่คือพวกพระที่เคยบวชอยู่ในเมืองมนุษย์แต่เมื่อบวชอยู่จิตใจไม่อยู่ในศีลในธรรมช่อกงหลอกลวงชาวบ้านมาสร้างประโยชน์ส่วนตัวทะเลาะวิวาชกต่อยกันในหมู่สง เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงมาตกนรกอยู่จนกว่าจะสิ้นเวรที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นการเป็นพระผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะนั้นถ้าทำดีก็ได้บุญมากถ้าทำชั่วก็ได้บาปมากเมื่อบวชแล้วท่านจึงสอนให้สํารวมในศีลยินดีในธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปรารรสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเรื่องย่อดังนี้ ท่านพระมหาโมคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิชกูดเห็นอัตภาพของเนระยิกะสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเปรดซึ่งมีแต่ร่างกระดูเป็นต้นจึงทำการแย้มให้ปรากฏเมื่อพระลักขณะถามท่านจึงว่าเวลานี้มิใช่การขอให้ถามเมื่อไปเฝ้าพระาศาสดาเมื่ออยู่ในที่เฝ้าพระาศาสดาพระมหาโมคัลลานะ จึงบอกว่าท่านได้เห็นเนระยิกะสัตมีเปรกที่มีแต่ร่างกระดูเป็นต้นโดยในว่าผู้มีอายุผมลงจากเขาคิชกูดได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนามีกายเล่าร้อนในทางอากาศพระศาสดา ส, มาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นเคยบวชในศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสจปะเป็นผู้ลามก ทำกรรมอันไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตของตนจึงต้องเสวยผลแห่งทุจริตกรรมของตนดังนี้แล้วตรัสพระขาถาว่ากาสาวกันถาพระหาโวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ตนอันนี้ข้อควเกี่ยวข้องกับนักบวชโดยตรงนักบวชนี้ถ้าดีก็ดีถึงที่สุดนะ กรรมดีก็สูงสุดจนไปถึงนิพพานสวรรค์นิพพานถ้าไม่ดีก็ดังที่ท่านกล่าวนี้ท่านกล่าวโดยส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่มาประพฤติปฏิบัติถ้ามองโดยละเอียดก็คือวิสัยของนักบวชก็ต้องรู้ว่าเป็นปุถุชนมาก่อนมาจากลูกชาวบ้าน ต้องมาพัฒนามาฝึกฝนมาอบรมนตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆเน่แต่ถ้ามีความตั้งใจมีความศรัทธานต่อศีลต่อธรรมแต่อำนาจของกิเลสมันก็มีบ้างเหมือนกันเน่ยฉะนั้นพระที่ยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสเนี่ยก็คงมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ความผิดนั้น ท่านจะมีรายละเอียดบอกไว้เป็นระหุกรครารุกรรมนะเหมือนกันนะถ้าส่วนระหุกรร ม, นะมีความละอายมีความเกรงกลัวแต่ด้วยการเพลิสตินีก็ยังพอแก้ไขได้แต่เป็นครุกรรมบางประเภทก็แก้ไขได้แต่ว่ายุ่งยากหน่อยนะอาศัยสง แต่บางอย่างก็ขาดไปเลยก็ ม, เมีเหมือนต่านว่าเหมือนตายอดด้วนเนี่ยอันนี้ท่านตัดเฉพาะบุคคลเฉพาะการเนี่ยก็ก็มีบางครั้งก็ตัดให้กันวังใจแก่ภิกษุก็มีอย่างภิกษุปฏิบัติร้องให้ไปปฏิบัติไปทุกข์แล้เกินเนี่ยพระองค์ก็ทรงสันเซินเหมือนกันเนี่ยทุกข์แต่ก็ศรัทธาก็ยังมี แต่มันก็ทุกข์ละจนน้ําตาไหลเนี่ยมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ผ่านอุปสรรคไงเมื่อผ่านไปแล้วก็จะเห็นขุนเขาว่าโอ้เห็นความทุกข์ที่ผ่านมานั้นเป็นยาอันวิเศษเป็นเหตุให้หายโายครคภัยไข้เจ็บได้ทำหนองนี่แหละแต่ก่อนมันก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์แต่ใช้ยาถูกใช้ยาดีก็คือยาธรรมะวินัยของพระเจ้านะหล่อเลี้ยงใช้เวลาบางคนถ้าโลก มากก็ใช้เวลานา น, านหน่อยถ้าโรคน้อยก็ใช้ไม่นานเนี่ยนั่นก็คือแล้วแต่โรค ก, ก็คือบุญกรรมนั่นแหละบุญบา ร, รมีของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยถ้าคนทําบุญไว้เยอะมีบา ร, รมีเยอะมีบาปน้อยก็ใช้เวลาไม่ไม่นานเหมือนเราปวดหัวนี่เี่หน่อยกินยาเม็ดเดียวมันก็หายเนี่ยถ้ามันมากมันหวัวยามเม็ดเดียวมันไม่ไหวแล้วต้องอาศัยหมอที่เก่งกว่านั้นอาจจะอาศัยเครื่องมือมากกว่านั้นอีกเนี่ย มันก็เหมือนกักรรมนี่ก็เหมือนกันอันนี้คงจะเป็นด้วยเหตุนี้ะเมื่อระลึกถึงกรรมกองตนแล้วเมื่อไม่ดีมาก่อนก็รีบทำความดีเสียแต่ก็ออกไว้เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนองค์ุริมานนั่นเนาะบรุบาผิดชั่วมากก็ทำดีให้มากเถอะท่านก็ทำดีเต็มที่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นอหิงสกะเลยแต่ก่อนเป็นองคุริมาน เมื่อละเลิกแล้วก็เป็นแห่งสกะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกรรมเหล่านั้นก็ค่อยเบาบางลง 3. กินก้อนเหล็กดีกว่าพระพุทธภาสิทธเสยโยอโยคุโลพุตโตตัดโตอคิสิขูปโมยันเจพุนเฉยยะทุตสีโลลัทธปินดังอสั ญ, ญโต แปลว่าบริโภคก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเปรียบด้วยเปลวไฟยังดีกว่าการเป็นผู้ทุศีลไม่สํารวมบริโภคอาหารของชาวเมืองอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับนักบวชโดยตรงท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอธิบายว่าการกินก้อนเด็กแดงอันร้อนจัดแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดก็ทุกเพียงชาติเดียวเท่านั้น หรือเพียงแค่ตายแต่การเป็นผู้ทุศีนไม่สัมรวมไม่ใช่สนะปฏิญาณตนว่าเป็นสันตไม่ใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจรีแล้วอยู่บริโภคอาหารที่ชาวเมืองถวายด้วยสถานนั้นจะต้องตอนรกเป็นเวลานานความร้อนและความทุกข์ในโลกนั้นยิ่งกว่าความร้อนและความทุกในการกินก้อนเด็กแดงมากนัก โทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลพระศ า, าสดาได้ทรงแสดงไว้มากยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ทุศีลไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีตักเตือนไม่ได้เป็นผู้ต้องถึงทุกข์เพราะถูกติเตียนต้องเดือดร้อนเพราะการสารเสริญของภิกษุผู้มีศีลเพราะความทุศีล น, นั้นเขาย่อมมีผิวพันธุ์หยาบดุดผ้าเปลือกไม้ อันหนึ่งคนเราใดถือยางอย่างของผู้ทุศีนคนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ทำพยธรรมของผู้ถวายด้วยศรัทธาให้มีค่าน้อยเป็นคนสะสางได้ยากชำระให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้ที่ใครๆคระกันรังเกียจเหมือนดุนฟืนเผาศพแม้เธอปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็หาเป็นภิกษุไม่ เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคจะเป็นโคไปได้อย่างไรเป็นผู้ต้องวัดวันอยู่เป็นนิดประดุษบุคคลผู้มีเวรภัยอยู่รอบด้านไม่ควรที่ใครๆจะอยู่ร่วมด้วยเหมือนซากศพแม้เธอจะประกอบด้วยคุณมีความรู้เป็นต้นก็เป็นผู้ไม่ควรเป็นที่เคารพบูชาของเพื่อนพรหมจันทร์ประดุดไฟในป่าช้าไม่ควรเป็นสิ่งบูชาของพรามบูชาเพลิงเธอเป็นผู้ไม่ควรแก่ การบรรลุคุณวิเศษปานคนตาบอดทั้งสองข้างผู้อาภัพในการเห็นรูปเป็นผู้หมดหวังในการบรรลุธรรมดังลูกคนจันทานไม่มีหวังในราชสมบัติแม้จะสำคัญตัวว่ามีความสุขก็จัดว่าเป็นผู้มีทุกข์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้แสดงโทษแห่งผู้ทุศีลไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลมีศีลวิบัตย่อมประสบความเสื่อมแห่งโภคะ ชื่อเสียงข้างเสียของเขาย่อมฟุ้งไปเป็นผู้เกือ้อเขินไม่องอาจในทถ้ำกลางประชาชนก่อนตายเป็นผู้หลงไหลไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตายแล้วย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุกขติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทุศีนมีทำสามเป็นคนไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจเป็นคนเน่าในหมักหมมเหมือนกองอยากเยอะสางได้ยากบุคคลประเภทนี้เรากล่าวว่าอันบัณฑิตพึงรังเกียจ เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อบุคคลคบผู้เช่นนั้นอยู่แม้จะไม่ดำเนินตามปฏิปทาของเขาชื่อเสียงข้างเสียก็ย่อมฟุ้งไปว่าเป็นผู้มีมิตรเลวมีสหายชั่วเหมือนงูที่เปื่อนคูดแล้วแม้จะยังไม่กัดแต่ย่อมเปื่อนมือของผู้จับชันใดก็ฉันนั้นพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารพิกษุ ผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธามีเรื่องย่อดังนี้พวกภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธานั้นกล่าวอุตริมนุสธรรมคือขุนอันยิ่งเหนือคุณของมนุษยธรรมดาให้กันและกันเช่นรูปหนึ่งบอกข้าหลวหัดว่าภิกษุรูปนั้นรูปนั้นเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ส่วนภิกษุนั้นนั้น ก็อวดอุตริมุสธรรมให้เพื่อนเหมือนกันทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยสแก่พวกตนพระศาสดาทรงท ร, งทราบเรื่องนี้แล้วตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าพวกเธอประกันกล่าวอวดอุตริมสธรรมให้กันและกันแก่พวกคัหัดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับเป็นสัตว์แล้วทรงติเตียนโดยอนเนกปริยายแล้วทรงบัญญัติ จตุทธะปาราชิกสิกขาบทคือปาราชิกสิกขาบทที่4แล้วตรัสพระคาถาว่าบริโภคก้อนเหล็กแดงร้อนแรงเหมือนเปลวไฟดีกว่าเป็นผู้ทุศีลบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นยังธรรมกถาสาทายสมันเตหิสันลักเทศตภาติ ในสมัยเราก็ไม่ต้องสงสัย่ตงว่าทำไมทำไม่ไม่ต้องทำไม่ละมันเยอะสมัยพระเจ้ายี่สองพันกว่าปีแล้วก็ยังมีเนี่ยก็สมกับที่ท่านว่าเมื่อความเจริญมันมากขึ้นความเสื่อมมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วความเจริญกับความเสื่อมมันคู่กันมาเพราะความเจริญก็ทำให้คนประมาท ก็พูดง่ายก็ความสะดวกสบายนั่นแหละที่สำนวนเราใช้กําว่าความสบายทำลายคนนี่ความลำบากมันสร้างคนนในยุคแรกๆก็ลำบากนแต่ว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เนเป็นคนจริงทำจริงต่อมาต่อมามันมากขึ้น มันก็เป็นสัจธรรมนั่นแหละแต่เรียกว่าสัจธรรมปฏิรูปมันก็แฝงแฝงแฝ ง, งมา ก, ก็เหมือนเราเห็นนี่แหละตอนน้อยน้อยมันดูกันทั่วถึงต้ามากขึ้นพวกแอบแฝมก็มีมาไม่มีใครเห็นแอบแอบมาเหมือนกับที่พระองค์ตรัสว่านาข้าวถ้ามันมากมันเหลือวิสัยข้าวผีมันก็แส ง, แสงขึ้นมา มีข้าวผีปรากฏขึ้นเนี่ยพยายามขจัดแต่ถ้ามันมากจริงสู้ไม่ไหวมันก็ลามปามเงินเนี่ยวันนั้นนั่งรถมายังชี้ให้พระดูเนี่ยดูที่เนี่ยนึกถึงว่าพระเจ้าท่านตัดเนี่ยี่ยข้าวผีเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อทําลายข้าวดีข้าวผีเกิดมาก็มีประโยชน์ของมันก็ไปทำลายนี่แล้วนั้นของคู่กันก็คือ มารเขาพระพุทธเจ้านี่ก็คู่กันมาตลอดแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ก็มีมารมาตลอดเหมือนกันถ้าเราคิดลักษณะนี้เราก็จะไม่ไม่ท้อใจถ้าเราเข้าใจจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งแปลกหรอกถ้าเรารู้เราเห็นลักษณะก็มาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยประยุง หรือประคับประคองให้อยู่ได้นานๆเพราะงั้ น, น, นแก็เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันช่วยกันบำรุงส่งเสริมรักษาเอาไว้ เ, เท่าที่ไดเ้เมื่อเราเห็นคุณค่าแต่จะไม่ไม่ให้มีสิ่งนั้นเลยก็เป็นไปได้ยากจริงเป็นยุคแห่งความเจริญนี่ลองปัวชาน โลกเจริญคือมืดเจริญท่านใช้คำนีจ้จริงๆก็มาจักคำพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะความเจริญกับความเสื่อมนะี่คนส่นมากก็เห็นความเจริญในด้านภายนอกก็ดีใจนะี่ยก็เ็กต่างคนต่างวิ่งเข้าไปเหมือนแมงเมาเห็นแสงสว่างนะีนะ่วนะินะ่งเข้าไปก็เส็จก็ตายตายเอาตายเอาไปยับยั้งเหมนเแต่ถ้ามีธรรมก็ดีอย่างนะีถนะึงโลกเจริญก็ธรรมก็ยังช่วยยับยั้งเนีย จะเอาหรือไม่เอาดีเนาะถ้าเอาก็เอาเป็นเอาให้ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเป็เนแต่ว่ามันฟังเพอรจริงๆเมื่อไา จ, จะไหม้มือบ้างก็ยังมียาใส่ได้ไม่เหมือนแบงคม้มันวิ่งกระโดดเข้าทั้งตัวนี่ น, นี่เราใช้สติใช้ปัญญารู้จักพิจารณาก็ไม่เจ็บตัวมากโลกแห่งความเจริญจะเดินในด้านวัตถุ น, นี่ธรรมะ ก็ยิ่งสำคัญเนี่ยแต่ธรรมะก็เหมือนอ่อนกำลังเหมือนกันนะคือคนอ่อนกาลังธรรมะก็ยังเหมือนเดิมคนไม่มีกำลังพอที่จะเอาธรรมะมาเยียวยาตัวเองได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คงไม่ทันใจด้วยเพราะเราสนองความอยากจนเคยตัวเมื่อทุกข์มากก็อยากให้มันหายเร็วๆทีนี้มันก็เลยลำบากธรรมะใช้ไม่ทันเอาไม่ทันเนี่ย มันไม่ใช่เง้ยทุกอย่างมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยนี่ก็ดังที่กล่าวแล้วถ้าโรคถ้าปล่อยไว้นานก็ใช้เวลานานรักษาเนี่ยอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้เพราะมันเรื้อรังนี่ถ้ามันน้อยมันก็ใช้เวลาไม่มากนี่นี่อดนนี้ทำให้เรามองเห็นชัดนี่บางทีก็จะคิดว่าเออเก่งเหมือนกันนะช่างหัวมันเถอะนี่อแต่พอสุดท้ายก็ช่างหัวมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็อาศัยเขาอยู่ดีนี คือเวลาความจริงกับความคิดนี่มันมันต่างกันมากเลยเนะี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับคนกินข้าวอิ่มกับคนหิวนี่เป็นความรู้สึกต่างกันนะคนอิ่มนี้พูดยังไงก็พูดได้นะเพราะมันอิ่มแล้วไงแต่คนหิวมันไม่อย่างนั้นเลยเพราะมันหิวเนี่ยมันมีความสำคัญแม้น้อยก็สำคัญนะ มันแตกต่างกันคนเป็นโรคมันกันโรคทางกายโรคทางใจมอนกันนะคนทุกน้อยบางทีก็พูดอะไรก็พูดได้ง่ายๆนะคนทุกมากมันน้ำหนักมันต่างกันนี่ทุกมากกับทุกน้อยทุกน้อยเนี่าอุบายนิดๆแต่น่อยมันก็ลืมๆไปมันก็หายไปแล้วแต่ทุกมากเนี่ยโอ้ยมันไม่ลืมนะอยู่ดีขนาดนี้มันก็ไม่ลืมมันฝังใจ มันต้องมียาดียาพิเศษจริงๆเนี่ยมันถึงจะเอาได้แต่ต้องใช้เวลาไงใช้เวลาเนี่ยถ้ามันเรื้อรังมันสั่งสมมานานทุกมานานก็ใช้เวลามากกว่าจะคลายกว่าจะหายได้ได้อ่านหนังสือเราเขียนเกี่ยวกับผู้ป่วยกับหมอเนี่ยกับพยาบาล คนป่วยคนหนึ่งหมอรักษาคนหนึ่งพยาบาลไข้คนหนึ่งมันก็มีส่วนสัมพันธ์ก็เคยคิดเหมือนกันจริงๆความคิดที่ดีก็คือความพระพุธเจ้านั่นแหละพระพุเจ้าท่านรู้หมดนีท่านวางไว้ให้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษากันเท่านั้นเองเนี่ยบางอย่างนี้ท่านท่านบอกว่าความจริงบางอย่างเนี่ยใช้ตรงก็ไม่ได้ต้องดูบุคคลดูการเหมือนกันน วันนี้ครับบอกว่าคนที่เป็นโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้ไหมถ้าหมอเขาก็อยากบอกบอกตรงๆก็อาจจะบอกได้แต่หมอบางคนเขาบอกว่าตรงเกินไปไม่ได้ดูสิ่งแวดแล้อมไม่ได้ดูคนป่วยจิตใจคนป่วยไม่ได้ดูเจ้าของคนไข้หรือลูกหลานคนเกี่ยวข้งของกับคนไข้เอาตรงๆมันช็อกเลยอ่ะจะตายเลยอ่ะเครียดจนแทบแย่เลยก็มีเนี่ย จริงๆแล้วมันต้องวิธีการมั น, ม, นมีอยู่พระเจ้าท่านบางอย่างท่านก็ไม่ให้ตรงหรอกนหาวิธีดูบุคคลก็พูดง่างว่าจิตใจเขายอมรับได้ขนาดไหนต้องพูดหวานล้อมหรือใช้เวลาใช้เวลาไม่บอกโดยตรงโอ้ยโรคนี้หายยากหน่อยนะอันนี้่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะหายก็ได้นะแต่ใช้เวลาไม่บอกตรงตรง แต่ที่จริงบอกก็บอกแล้วมันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่เพื่อรักษาเพราะใจเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทำใจได้ขนาดไหนนีแต่ถ้าเจ้าคนใจเข้มแข็งเหมือนผู้ปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์เอ้ยบอกเลยท่านเตือนไว้ก่อนเลยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแต่อยู่ได้ก็เอ้ยบอกเลยจะได้เตรียมตัวตายอย่างนี้อย่างนี้มันมันไม่ยากเนี่ยบอกเลยก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าคนบางคนโอ้ยไม่อยากได้ยิน ได้ยินชื่อก็เป็นทุกข์แล้วอันนี้ต้องหาวิธีน้อยเนี่รู้แล้วก็อาจจะหมอก็อาจจะต้องวางแผนกับลูกหลานนี่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยนี่ยค่อยๆให้เขารับทราบบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะรักษาไปมันก็ให้กําลังใจเท่านั้นพอมันไม่หายเขาก็ก็เริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ด้ยวยตนเองและเอ๊ะมันทําไมมันยืดเยื้อมันยาวนานมันไม่หายสักทีเนี่ย ถึงไม่บอกก็สิ่งต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมมันจะบอกก็เองบางทีไปหาหมอนโน่โนหรือไปอุ ป, ปกรณ์โน่โนอุปกรณ์นี่ตอนนั้นจะบอกบอกเอ๊ะทำไมต้องใช้ยานี่ถึงไม่บอกเขาก็รู้แล้วว่าโอ้จะแต่จะต้องเป็นโรคที่รักษายากแลลวเนะี่ยเขาก็ค่อยๆรู้ค่อยๆทำใจได้ไปบอกตรงเลยไม่ได้แต่บางคนก็ตรงได้เหมือนกันเนี่ย อ่าวิธีก็เหมือนกับอยู่ดีดีมีคนมาแจ้งว่าญาติเสียอย่างนี้แหละถ้าคนพูดได้เป็นก็บอกตรงๆเลยก็ช็อกเลยเหมือนกันนะแต่ถ้าคนฉลาดหน่อยก็พูดอ้อมๆไปไกๆลๆพูดให้เขาแบบไม่ตกใจมากกันนะไม่ตกใจมากนะแต่ตมาก็เคยใช้ได้ตามเนี่ยว่าเขามาแจ้งก็มาบอกวนะ่า เขาก็กลัวว่าเออถ้าบอกตร ง, ตรงๆกลัวเขาจะตกใจมากไม่ต้องบอกได้ไหมอ่อาไม่เป็นไรไจะหาวิธีเองหรอกก็เลยเล่าเรื่องพูดถึงคนผู้ที่เสียไปนะาถามว่ามีความรู้จักคุ้นเคยกันขนาดไหนเป็นอย่างไรรักกันมากไหมอะไรไม่เล่าไปค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะเนี่ยเวลารักมากๆถ้าเกิดเขาเจ็บไข้ได้ปวดป่วยมากมีความรู้สึกอย่างไรเนะี่ย ถ้าสมมติว่าเขาลมหายตายจากไปมีความรๆๆๆู้คือไม่บอกตรงๆเลยจะทำใจได้ไหมอะไรไหมแะไรคือพูดหวานล้อมไปเรื่อย ๆ, ๆก็จะเห็นกําลังใจทันทีนเฮ้ยไม่เป็นไรเขาอบอกถ้าบางคนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตายอะไรก็บอกตรงได้แล้วทีนี้แต่ก็โอ้ยถ้าก็ายังทำใจได้ยากอันนี้ก็ไม่บอกตรงๆเนี่แตก็มีวิธีเนี่ย แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องจากค่อนข้างละเอียดอยู่เหมือนกันก็ถึงว่าคนป่วยก็ดูจิตใจเข้าด้วยหมอถ้าหมอเรียนจิตวิทยาด้วยเนี่ยเขไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าหมอไม่ไม่มีจิตวิทยาด้านนี้ก็จะลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องกันก็ดีเนี่ย ถ้ามีธรรมะด้วยกันก็ไม่มีปัญหาถ้ามีธรรมะด้วยกันลําบากเคยเจอเหมือนกันไปต่นนั้นไปเอาโยมพ่อไปรักษานปรักษาแล้วก็มีโยมก็รู้จักกันนั่นๆนะแต่ว่าก็เกือบจำไม่ได้แต่เห็นหน้าก็จําได้เขาก็เห็นดูโยมพ่อยในห้องเขาก็เข้าไปหาเขาว่าอาจารย์จําผมได้ไหมขับคลายขับคลายอยู่พ่อก็บอกว่าจําได้ ามาอย่างไงทําไมออก็ว่าเออเห็นยังจำอาจารย์ได้อยู่ก็ามากราบเนี่ยบอกว่ามาทําไมนะเพราะว่าพี่สาวเขาเกิดอุัติเหตุอุัติเหตุโอ้โหหักไม่รู้จนจะหักไม่รู้กี่ทอด น, นับไม่ได้เลยขาแขนเอี่ยข้กระดูกกระดิกได้แต่คอเท่านั้นเองเขาบอกแต่เนี่ยญาติเขาบอกว่าญาติพี่น้องแทบทุกคน่ะทําใจไม่ได้นะเขาก็พูดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงเขาบอก ทุ ก, กันนะแต่ก็เลยถามว่าแล้วคนไข้เป็นยังไงคนไข้กำลังใจเขาดีไหมแต่คนไข้กำลังใจดีเขาบอกเนี่ยรู้สึกเขากำลังใจเขาคงรู้ตัวนะว่าขนาดนี้เขาคงจะยังไงก็ต้องทาใจนะแต่ญาติทันทีโดยเฉพาะพ่ อ, พอแม่เขาบอกโอ้ยทุกมากเนี่ยก็เลยอาจารยไ์ไม่ให้กำลังใจหน่อยได้ไหมอะรเยอะพาเดินไป พอเไปมาก็คุยกับคนป่วยเขาพูดได้พูดได้สติสามัญญนยะดีเนี่ยพอพูดไปหน่อยหนึ่งนะพูดในเรื่องการปรงการอะไรนี่แหละโอ้ชาติ น, นี่ญาติได้ยินธ น, นุดูโอ้ไม่จริงไม่จริง <c oughs> บอกว่าไม่เป็นอย่าไปพูดอย่างงั้นดบอกนี่บอกว่าไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวก็หายเข้าไปไม่ได้บอกให้ตายเราไม่ได้บอกให้ตา ย, าตายแต่เพียงว่า คนไข้ควรทําใจไว้แต่คนไข้กําลังใจดีมากเขาอุตส่าห์พูดว่าเขาน่ยจิตใจเขาเขายอมรับเขาบอกยอมรับแล้วไม่มีปัญหาเขาบอกชีวิตเมื่อมาถึงตรงนี้มันก็ต้องทําใจเขาคนไข้ไม่มีปัญหาแต่คนคนไม่ป่วยไม่ไข้นี่จะแย่เอาเนี่นบางทีก็น่าสงสา ร, าารนะว่าจะทํำยังไงนะไปพูดต่อไปอีกก็ลําบากเพราะคนรอบข้างเต็มไปหมด ความไม่เข้าใจนี่สถานการณ์มันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันบางทีแต่ก็เลยเออไม่เป็นไรยอมทําใจดีๆก็แล้วกันนะออถ้าใจดีก็ไม่แน่นะใจดีมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีเพราะอะไรมันมาจากใจทั้งนั้นแหละออก็เลยพูดนี้ไม่แ น, แน่อาจจะหายอาจจะดีก็ได้ออถ้ารักษาใจดีๆถ้าไปวิตกไปกงังวลนั่นสิมันจะแย่เนะียยิ่งไปกลัวมากยิ่งวิตกกังวลมากมันก็ยิ่งจะแย่ สุขภาพจิตก็เสียกายก็จะแย่อยู่แล้วเนะี่ยแต่เขาก็ดีก็เห็นคนไข้กำลังใจดีพูดไปอะไรมากไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออมาให้กำลังใจแค่นี้นะไม่ต้องมากถ้ากำลังใจดีก็ไม่เป็นไรเนะี่ยตอนเดยวกลับเขาว่าเออถ้าเขาถ้าเขาหายนะเขาจะไปหาอาจารย์แต่ถ้าไม่หายก็แล้วแต่เขาบอกปรากฏว่าประคัาประคองอยู่เกือบสองเดือนนะ เขาพอเดินได้พอยุงตัวได้จริงๆนะคนก็สามสิบสี่สี่สิบได้เนี่ยเขาก็ประคองกันมาโอ้โหมาหาที่วัด์นี่ยนะนมาทั้งครอบครัวเลยมาทำบุญไงทาบุญว่าเออเนี่ยำออกำลังใจก็ดีเนี่ยก็เลยไปเดินไปหาเขานี่นี่ถ้าเรารักษาใจดีกำลังใจดีเนี่ยเราต้องสู้เนี่ยใจมันดีทุกอย่างมันดีเอง ก็ไม่อยากใช้คําลวงพ่อชานะบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้นี่คำหลวงพ่อจะบอกให้ก็เอาตายก็เอามันรับได้ยากด้วยบางคนมันรับได้ยากแต่เป็นคนปฏิบัติธรรมบอกไปเลยทําไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมก็ต้องบอกความจริงนี่ต้องให้รู้จักเราปฏิบัติต้องให้รู้ความจริงนะอย่าไปเลี่ยงความจริงนีต้องกล้าที่จะต่อสู้กับความจริงกล้าที่จะได้ยินความจริงนี ถ้างั้นเราจะมาสวดทําไมเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลองพ้นความตายไปได้ท่านบอกนี่ก็เผื่อให้เราฝึกให้เราซ้อมให้เราคุ้นเคยกับคํานี้เนี่ยให้เลยกับคําว่าแก่เจ็บตายเนี่ยได้มาปฏิบัติไม่อยากฟังอันนี้ก็ไม่รู้จะปฏิบัติเอาอะไรเนาะก็ท่านให้เตือนเตือนไว้มันจะได้รีบรีบทําความดีรีบสร้างกุศลหรือรีบให้ทานรักษาศีลภาวนาเนะี่ยอ ท่านยังบอกว่าเออถ้าเขามีคนพยากรรัประชาด้วยะมีคนพยากรหมอแม่นแม่นนะทายนี่ไม่พลาดเลยเนี่ยแต่สมมติว่าเขามาทายเราอีสิบห้าวันตายเราจะทําไงลูกจะทําไงตายแน่แนสมิว่าวันตายแน่มันจะมัวเป็นหลงโลกหรือมันไม่มีทางหรอกโลกเนี่ยโอยมันสมบัติโลกเห็นชัดเลยนะมันคงช่วยเราไม่ได้แน่นะ มันต้องหาเอาที่พึ่งที่มันจะเป็นแก่นสารจริงๆนะมันไม่เอาแล้วโลกนั้นมันหมดหมดความสำคัญทันทีเลยนะอันนี้มันคิดว่าเราจะอยู่นานนี่สิมันโอ้ยคงไม่ตายง่ายหรอกเจ็ดสิบปีก่อน่อยเข้าวัดก็ได้อย่างนี้หรือแปดสิบปีน่นโอ้ยเอามาทำไมของใช้ไม่ได้แล้วลูประชานเอามาก็ใช้ไม่ได้ บอกอะไรก็ไม่ได้ยินฟังอะไรก็ไม่เข้าใจจำไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วท่ามันก็สู้ตอนมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วท่านบอว่ามันจริงนะความสมบูรณ์ร่างกายก็สมบูรณ์ในที่นี้ก็ไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่มีโรคหรอกมันก็มีทุกคนนั่นแหละรังโรคเนี่ย ถึงแม้ใครจะบอกว่าไม่มีโรคนึ่ง mm hmm. ก, ก, ก็ไม่ใช่นะเป็นความรู้สึกโดยสามัญของโรคเท่านั้นเองแต่โดยธรรมะมันเป็นโรคทั้งหมดทุกคนนั่นแหละที่พ ร, ระพุทธเจ้าท่านว่ารังของโรคเนะี่ย ร, รังของโรคก็คือมันเกิดมาก็ ม, มาอยู่ในโลกนีน้ว่าเกิดมาแล้วไม่มีโรคมันจะมีได้อย่างไงรนะนี่ก็ต้องมีมเพียงแต่ว่าดูแลเยียวยารักษามันเท่าที่อยู่ได้เท่านั้นเอง อยาให้มันปลอดร้อเปอร์เซเป็นไปไม่ได้เรา อ, อย่าไปหวังขนาดนั้นเนี่ยแม่หมอเขาบอโอ้ยไม่มีแล้สบายมากเป็นโรคหายร0อเปซก็อย่าไปเชื่อหมอได้ยเยลองพ่อสามหมอก็่ใช่หมอกันตายได้น่ะหมอก็ยังตายเลยหมอจะไปรับรองได้ยังไงหมอรักษาคนอื่นหมอก็ยังตายเลยนเนี่ยมไม่ได้ต้องเชื่อหมอใหญ่นั่นแหลหมอพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนท่านพูดจริงพูดตรงเนี่ย อันนี้ก็เป็นการซ้อมนะเป็นการซ้อมเอาไว้กำลังใจเราจะดีเนี่ยเมื่อถึงเวลาโอ้มาแล้วเลยมาแล้วเมาแล้วมาแล้ว อ, อขอเวลาหน่อยนิดหน่อยได้ไหมพอได้หายใจหน่อยต่อรองกันก็ได้แต่ น, นั้นมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วไงจะคุยยังไงก็ได้เนี่ยนี่นั่นก็คือการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนี่ยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามรณ า, านุสติเนี่ย ใช้ครูบาอาจารย์นั้นใช้ว่าเป็นมงกุฎกรรมฐานมงกุฎกรรมฐานก็คือกรรมฐานศีรษะหรือเอาสวมสศีรษะนั่นแหละมงกุฎกรรมฐานาคือมันถ้ามีสิ่งนี้บริกรรมภาวนาอยู่เรื่อยๆมันจะทาให้เราได้ไม่ลืมตนไม่หลงตนนะแล้วจะทำตนให้ตั้งอยู่ในความดีได้ตลอด เนี่ยเพราะอะไรเพราะชีว <Bros. roc. S 1> so ิตนี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะถ้าคนอยู่ด้วยลักษณะนี้กับเป็นคนที่อยู่ดีนะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขคนที่ไม่เจริญนี่อยู่ร้อนนอนทุกข์เหมือนธนวานะเพราะอะไรเพราะวิตกวิตกกังวลนะอยู่ด้วยความวิตกถ้ารู้สิ่งนี้โอ้ยเหมือนกับคนที่เข้าใจธรรมชาตินะมันอยู่อย่างนี้แหละ บางคนวิตกขนาดว่าโอ๊ยขนาดอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังกลัวนะกลัวงูกลัวโน่นกลัวนี่เข้ามาไปกลัวธรรมอุตส่าห์ทำอย่างนี้แล้วยังกลัวอีกจะไปอยู่ยังไงเนะี่ยถ้าคนรู้จักเรื่องธรรมชาติเอ อ, เ อ, อพวกสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละแล้วก็ต่างคนต่างไปต่างหากินมันอาจจะหลงบ้างเหมือนกันเลยเข้ามาเอา้ามีอะไรอยู่ในนี้พอมันเจอมันอาจจะหนีไปก็ได้เนะี่ย แต่เราไป ต, ตกใจก่อนก็เลยตกใจไปด้วยก็เลยไม่รู้เออเราตกใจมันก็เลยตกใจมันก็เลยจะไปมันก็กลัวทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะเล่นงานเราแตแท้จริงแล้วไม่ใช่หรอกเออก็เราไปทําตกใจใส่มันก็เลยตกใจด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้านั่งเฉยๆมันก็ต่างคนต่างไปเหมือนกันมันเรื้อยมามันก็เลื้อยไปเนี่ยนี่การทําใจในการสงบใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ย เมื่ามันจวนเจียนก็สงบใจให้ได้สงบใจนิ่งๆนี่นมันก็ไปหรอกสมัยก่อนเป็นเด็กก็ฝูกฝังกันมาอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าแรงปองเห็นตะกราบฆ่าทําไมมันจะกัดคิดเอาอย่างเงี้ยงูมาฆ่าไม่รู้งูได้มันจะกัดก็คิดแค่นี้นก็เลยฝูกฝังกันมาอย่างนี้เห็นก็าฆ่าอย่างเดียวนะสุดท้ายถ้าเรื่องธรรมะกลับกลายเป็นเรื่องอาฆาพยาบาทได้เลยทีนี้มันยิ่งหนักเลย นี่พอรู้ไปคิดตายแล้วมันจะจองเวนหรือเปล่านี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนะนี่ยถ้าเราไม่ทําต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปก็ไม่มีเวนไม่มีไัยกันหรอกเนะี่ยถ้าไปทํากันเป็นเวนทันทีแล้เป็นภัยต่อกันเนะนี่ยแีดงว่าสงบกันดดีเนะนี่ยยถ้าอยู่ถ้ารู้แล้วก็เออสบายแลนะ้วไม่ต้องอาาคตก็ไม่ต้องวิดตกแรก้วบางทีงูขึ้นกุฏิเนี่ยก็้มันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่า มันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นาาก็ได้จะเป็นตัวใหม่ก็ได้มันก็มีทั่วไปนะเนี่ ย, ย, ยก็ดีมั้ยทาให้เราไม่ประมาทไงขึ้นไปก็รู้จักเปิดรู้จักส่องไฟส่องอะไรหน่อยอา้าวแสดงว่ามันมีสมัยพุทธการก็มีได้พุทธเจ้าเนี่ยถ้าที่ไม่เคยอยู่มานานเนี่ยถ้าเราอยู่ประจำไม่ค่อยเข้าหรอกสัตว์ไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าไม่อยู่นานๆเนี่ยมันอาจจะมีบ้างเหมือนกันเนี่ย มี ต, ตัวนู้นตัวนี้ท่านวิธีของท่านก็คือว่าถ้ากุฏิไม่ได้อยู่นานๆเวลาจะไปไปอยู่กุฏินี่ให้เดินขึ้นไปแล้วก็ถ้าประตูปิดอยู่หน้าต่างปิดอยู่ก็แง้มประตูออกหน่อยหนึ่งแล้วก็อยู่เราอย่าไปอยู่ขว้างประตูนะแง้มประตูออกมาอยู่เลี่ยงๆมาอาจจะแง้มแล้วก็เคาะหน่อยเคาะๆๆโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันระวังภัยเหมือนกันพอได้ยินเสียงถ้าเป็นงูก็จะเลื้อยออกมา ถ้าเป็นสัตว์อะไรมันก็จะออกมาเพราะมันกลัวเหมือนกันเนี่ยนั่นเป็นวิธีพระเจ้าท่านสอนไว้นะไม่ใช่พีพรามเข้าไปอาจจะเอก็ชนแล้วก็ช็อกได้เลยเนี่เราเราไม่ได้เตรียมพร้อมเนี่ยแต่ถ้าทําอย่างท่านนี่ก็ปลอดภัยเนี่ยไปก็เคาะเคาะอะไรนะมันก็ไม่มีอะไรนะนั่นเป็นแสดงว่าพระองค์นี่ก็รู้จริงๆนะเป็นสัพพันธ์อยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเนี่ย เป็นการรักษาตัวป้องกันตัวหรือถ้ามันเผอ ม, มันพลั้งมันอาจจะโดนเพราะมันป้องกันตัวท่านก็บอกหยุกบอกยาไม่ให้อีกเร่งต่างหากเนี่ยยาสำหรับใส่พวกนี้พวกอะไรก็บอกไว้อีกเนี่ยเป็นวิธีการแตรทนี่แหละก็ดีแล้วแหะแต่ทำมะท่านกว่าเป็นเกาะป้องกันได้รอบตัวเลยเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ป้องกั น, นจริง ่เราทิ้งทำไม่ได้จริงเราอยู่กับโลกเนี่ยต้องมีธรรมธรรมคอยคุ้มครองนะถ้าลืมธรรมแล้วโลกเข้ามาทันทีเลยเนี่ยเราก็จะนึกถึงธรรมไม่รู้อยู่ที่ไหนหายไม่เจอเลยหายากเหมือนกันเนี่เพราะอะไรมังกันไว้แล้วเนี่ยเขี่ยออกยากหายากเหมือนกันเนี่ยพระอรรม迦ทานท่านย่างกุพมาเหมือนกับเราลืมเหมือนกับลืมเพชรเนี่ยไว้ในบ่อลึกเลย แต่ทีนี้เอาขยะทับถมลงไปไม่รู้กี่เดือนกี่ปีทมลงไปเนี่ยพอนึกได้โธมันอยู่ลึกแท้กว่าจะเอามันได้นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเนีกว่าจะขนอะไรออกเนี่ยมันนึกได้มันอยู่ก้นหลุมน่ลเนีต้องออกแรงมากเนี่ยแล้วก็ปล่อยเวลาไปมากเนี่ยให้โลกมันคอบงํามากก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะอย่างหลวงพ่อชาท่านบอกว่า เอาเอาชาติปัจจุบันไม่ต้องพู ด, พดถึงชาติก่อนๆเนีนะชาติปัจจุบันนี้อยู่มานานเท่าไหร่นะอยู่กับโลกมานานเท่าไหร่ที่ไม่ไม่มีธรรมเนะี่ยี่สิบปีสามสิบปีโอ้ถ้ายี่สปีสาสิปีต้องมาปฏิบัติให้ได้สามสิบปีก่อนนะ <c oughs> มันถึงจะเห็นแวบมาหน่อยมันเห็นแสงขึ้นมาหน่อยแต่งั้นไม่เห็นหรอกเพราะอะไรมันทับถมอยู่ไง <c oughs> ถ้าอยู่20ปีก็โอ้ยอย่าไปว่าสองสามวันปีสองปีอย่าไปว่าเลยนะต้อง20ปีเนี่ยมันถึงจะค่อยเห็นแสง <c oughs> แบบออกมาถ้าเข้าใจคําพูดของท่านนี่ก็เออก็จริงนะก็เราปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยเวลาไปกับโลกกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันหมกมุ่นอยู่กับมันนะเอจะมาเอาเร็วๆมันไม่ได้หรอกนะอีต้องนึกถึงพระเถระบางรูปเนี่ยนะแม้แต่สมัยพุทธเจ้าเองนะ ก็ยังมีบางรูปต้องใช้เวลาตั้งหมดทั้งอายุไขเลยนะก่าจะได้แวบหรือกว่าจะได้วันรุธรรมเนะี่ยยังประทับใจพระเทระรูปหนึ่งที่ท่านโอ้ยังคือไม่ลืมเลยนึกถึงตอนไหนก็ยังประทับใจท่านอยู่ที่ท่านปฏิบัติตั้งเจ็ดสิบกว่าปีนะในสมัยพื่อเจ้าด้วยนะท่านปฏิบัตินะแต่ท่านสารู้ว่ามินสีนะสำรวมในศีล อินทรีสังวรนั่นแหละสังวรจนกระทั่งว่าไม่ได้เงยหน้าเหมือนเราอย่างนี้เลยนะอยู่ทอดสายตาอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยท่านปฏิบัติจนทังอายุทั้งเจ็ดตามอัตรกระถาว่าเจกว่าปี7จ็ดสิบสองเจ็ดสปีนี่ท่านต้องการวิเวกท่านเลยไปอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ตั้งโยท่านสํารวมจนทั้งไม่รู้ว่าข้างบนถ้ำมันมีอะไรท่านไม่เคยดูเลยไม่เห็นเลยเนี่ย จนกตั้งว่าพระที่บวชทีหลังเคยเป็นลูกสิธิ์เคยรู้จากท่านเขารคในท่านก็ได้ยินว่าท่านไปทำเพียรอยู่องค์เดียวรูปเดียววิเวกเนี่ยก็มีความรักต่อท่านนึกถึงท่านอยากไปเยี่ยมท่านเนี่ยก็เลยสือหาว่าโอ้ยท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยอยู่ในทักกินาชนบทน่นอยู่นอกๆที่ไม่เจริญนว น, นก็ตามไปอัตรกราก็พระที่ไปก็พระ เป็นพระทันตทุระพราศึกษาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสํารวมเลยไหมเหมือนทัศนาจรเลยไปนัง่งอ่านโน่นอ่านนี่อยากรูโน่นดูนี่ไปอพอไปเห็นพรนท่านอยู่ในถ้ำถ้ำมันสวยหรือไม่สวยท่านก็ไม่รู้เลยท่านไม่เคยดูเลยท่านมีแต่ก้มเดินจงกรมอพอพิสุรุปพวกนี้เข้าไปหาท่านไปก็โอ้ย ไ, ไปกาบเทระเนี่ยโอ้ยท่านอาจารย์ถ้ามันสวยจริงๆนะ ท่านเลือกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอ๋ท่านบอกว่าอท่านว่าอะไรนะถ้ำที่ท่านอาจารย์อยู่มันสวยมากนะข้างบนเนี่ยโอ้ท่านบอกว่าผมอยู่ตั้งเจดสิปีผมเึงรู้ว่าถ้ำนี้สวยท่านมาพูดวันนี้เองว่าท่านอยู่มาท่านเคยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนท่านไม่เคยมองดูเลยให้ท่านว่าโอ้อยู่ที่ท่านขนาดนั้นนั้นถ้าภิกษุไม่ไปเยี่ยมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นนะ นั่นคือความสำรวมของท่านความสัรวมสัมวรนะแต่ท่านก็ได้เจโตนะสุดท้ายก็ท่านก็ได้สำเร็จมักผลนั่นก็คือการใช้เวลาเนะี่ยบารมีปฏิปทาไม่เหมือนกันนะบางคนเร็วบางคนช้าบรารมีมีอยู่แต่ใช้เวลานานเนะีนะ่ยมาอ่านดูอันนี้ก็เลยมีกำลังใจเออจะช้าจะเร็วก็ช่างเถอะเราคงบรารมีสู้ท่านไม่ได้แล้วมั้ไม่ได้ชาตินี้ก็ให้มันมีบรารมีต่อไปก็ยังดีอ่ะนะ กำลังใจมันก็มีขึ้นนะถ้ามาด้วยความอยากก็ผิดหวังผิดหวังด้วยความอยากเนี่ยถ้าไม่มาด้วยความอยากด้วยความหวังเนี่ยแต่มาเพื่อปฏิบัติธรรมมันดันดีอย่าไปหวังอะไรอย่าไปหวังมักหวังผลอะไรหวังก็หวังอยู่หรอกแต่ว่าอย่าไปกําหนดการเวลามันเป็นการบีบบังคับตนเองนะนี่วันหลวงพ่อมาหาสุพองโอ้อย่าไปเอาเลยมักผลน่ย รักษาศีลให้ดีปฏิบัติให้ดีสํารวมลไม่ดีเท่านั้นอพอให้มันตายอยู่กับอันนี้ก็พอแล้วตายก็ปฏิบัติได้ท่านก็พูดดีเหมือนกันนั่นก็คือการตัดความอยากไม่ต้องไปสนองความอยากซึ่งครูบาอาจารย์เขาบออย่าปฏิบัติด้วยความอยากสบายใจกว่าปฏิบัติไปนั่งสมาธิออได้ไม่ได้ก็สบายใจวันนี้นั่งสบายใจเท่านั้นแหละได้ผลอในวันนั่งดีไหมดีวันนี้ดี หมกิเลสด้วยยังโอก็ยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถึงวันนี้มันสบายก็ใช้ได้แล้วพอหายใจได้มีกําลังต่อสู้กับโรคต่อไปเนี่ยนี่ก็ต้องสั่งสมไปลักษณะนี้แหละเนี่ยไม่ต้องมากหรอกนีสั่งสมไปเรื่อยๆมันก็เป็นปัจจัยเองเนี่ยเนี่ยได้สุขทุกวันทุกวันสุขมันก็มากเองอะเนาะเออถ้าไม่ได้สุขทุกวันก็ไม่มีสุขเลยก็ได้ทุกทๆวันเหมือนกันนะเนี่ยขอให้มันได้สุขก็แล้วกันสุขในปัจจุบันเนี่ยนั่งสบาย อารมณ์น้อยลงเท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยเบาใจสบายใจเนี่ยมีกําลังไปต่อสู้ต่อไปถ้ามันหนักก็มาวางวางที่บ้านไม่ได้ก็มาวางที่วัดก็ยังเบาเลยที่บ้านมันวางไม่ได้วางอยู่วัดก็เบาวางบ้านก็เบาเหมือนกันแต่มันวางไม่ได้ก็มาวางวัดก็ได้ก็มาทิ้งไม่วัดก็ได้มีแต่ได้เบาเนี่ยวัดมันก็ไม่ลกหรอก ไม่พอไม่ไม่เป็นวัตถุนี่เอามาทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหรอกตรงนี้ขยะอันนี้ามาทิ้งก็ไม่มีใครอยากได้หรอกนะเอนี่ยน่าจะดีกว่านอ้อพอสมควรแล้วแหละเดี๋ยวพาไหว้พรนะ